เป็นไปของวัฏฏานั้นเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ก็จริงนะเขามาพูดให้คนหลับมาเยอะแล้วปกติเลยแหละอาจารย์ไม่ไม่ท้อใช่ไหมครับเรื่องสอนเรื่องปริญญาเนี่ยเพราะว่าคงจะต้องพูดอีกอีกมากทีเดียนะฮะเรื่องเรื่องปริญญาเนี่ยเพราะว่าฟังยังไงยังไงก็ก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะเจริญ แต่ว่าคิดว่าทุกคนก็สนใจนะครับคิดดูนะจะหาบุคคลใดในโลกนี้ที่ที่สันเสริญได้ไม่มีจบมีสิ้นเรียบเรียงเอาคําของคนดีทั้งหลายน้ะมาชมเนี่ยก็ไม่มีใครที่ควรแก่การชมได้ยาวขนาดนี้ซึ่งบุคคลใดที่จะเสมอด้วยบุคคลนี้คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อีกแล้วในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกมูสัตพร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ พระองค์นั้นจึงเป็นบุคคลเอกที่เกิดมาในโลกอุบัติในโลกเจริญเติบโตในโลกผู้ไม่แปลกเตื้อนด้วยโลกและผู้นําประโยชน์สุขทั้งมวลมาให้แก่มวลสัตว์โลกพระองค์ประทับอยู่ที่นี่ที่พระวิหารเชตาวันแห่งนี้ตรงนี้เรียกว่าพระคันทกุติคือเป็นกุติที่อบด้วยกลิ่นหอมเราทั้งหลายมีน้ําหอมมีอะไรมาก็ยังมากก็พ่นพ่นได้ไม่มากแต่ว่าสมัยพระองค์อยู่พุทธบริษัทในสมัยพุทธกาลครับ เขาเรียกว่าพระคันธกุติเป็นกุติที่บุพทธบริษัททั้งหลายทุกสารทิศหลังไหลมาเป็นที่หมู่เทวดาทั้งหลายเข้ามาเฝ้าเนี่ยนะที่ตรงในสัมมาสัมพุทธเจ้ากิจเหล่านั้นที่พระองค์เปรดสงเคราะห์อนุเคราะห์มวลหมู่เวนนายสัตว์ทั้งหลายพระองค์ถึงประทับอยู่ที่นี่อ่านะซึ่ง ประกอบด้วยความสะดวกสบายทุกประการแต่ถึงกระนั้นพอออกพรรษาพระองค์ก็เสด็จจาริกไปนในมณฑลหลายร้อยยอดด้วยกันเที่ยวจาริกเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์มวลหมู่เวนัยสัตว์ทั้งหลายที่ตรงนี้ถ้าจะกล่าวไปแล้วเป็นที่ที่พุทธบริษัททั้งหลายทุกสารทิศหลังไหลมาเป็นที่หมู่เทวดาทั้งหลายเข้ามาเฝ้าเนี่ยนะที่ตรงนี้เป็นที่หมู่แห่งเทวดา ผู่ปัญหาแล้วมาถามปัญหาด้วยใจทุกทุกคืนตลอดมัชชิมยามแห่งราตรีจะมีเทวดาเนี่ยยังพระเชฉลตะวันให้สว่างสวยแล้วก็มาสอบถามปัญหาพระธรรมพระองค์นั้นสามารถแก้ปัญหาแก่มวลเทวดาทั้งหลายได้แม้มนุ่งหม่มนุษย์ทั้งหลายเมืองสายวัตถีที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นที่รวมแห่งหมู่สัพพสัตทั้งหลายเขาเหล่านั้นผู่ปัญหามาถามพระองค์ตอบด้วยคําถามเดียวก็แก้ปัญหาเขาได้ องนั้นช่วยให้เขาได้ประสบความสุขเราทั้งหลายได้เข้ามาไหว้พระองค์ที่พระคันทูกุตีก็ยังใจให้สบายใจเนะเป็นที่โสมนัสใจเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของดีเป็นของเลิศประเสริฐที่จะช่วยให้เราทั้งหลายได้พ้นทุกข์ได้จริงเพ้นถ้าหากว่าตามที่เราได้สาธยายสวดสรรเสริญพระพุทธคุณอ่ะโดยตระการทั้งปวงถ้าที่เราพอจะนึกได้พอที่เราจะรู้พอที่เราจะเข้าใจ ก็ยังเห็นพระคุณอันลึกซึ้งกว้างใหญ่ไพศาลของพระองค์ถ้าหากว่าเราทั้งหลายได้บรรลุเป็นพระโสนาบันเห็นอริยสัจธรรมที่พระองค์ตรัสรุปแล้วเราคงได้เห็นคุณของพระองค์มากกว่านี้ถ้าเราประพฤติดีปฏิบัติชอบทางตลอดสกะทาคามีผลเราก็จะได้เห็นคุณของพระองค์ยิ่งกว่านี้อีกถ้าหากว่าเราปฏิบัติธรรม เป็นบรรลุเป็นพระอนาคามีเราก็จะเห็นคุณของพระองค์ยิ่งขึ้นไปอีกถ้าหากว่าเราทั้งหลายตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ น, นะเป็นพระอรหันต์ทรงวิชาสามเป็นต้นก็ตามเราจะได้เห็นคุณของพระองค์แต่กาะ น, นั้นก็ดีก็ไม่มีบุคคลใดเห็นคุณของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นจึงจะยังถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าได้อย่างสิ้นเชิง ท่านพ่อพ่านใเพราะว่าคุณของพระพุทธเจ้าองค์นั้นกว้างใหญ่จริงๆเพราะว่าพ่อองค์นั้นเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยคุณในขณะเดียวกันมีคุณเหล่านี้ก็มีเพื่ออนุเคราะห์สัตว์อื่นมีเพื่อสงเคราะห์สัตว์อื่นมีเพื่อช่วยสัตว์อื่นให้พ้นจากวัตรทุกข์เราทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ดุจยานก็เป็นสิ่งที่หาที่สุดไม่ได้ฉันนั้น คุณของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากมายกว้างขวางยิ่งนักซึ่งไม่มีผู้ใดที่เรืยอว่าจะชื่นชมสรรเสริญเย็บย่องได้หมดครบถ้วนกระบวนความไม่มีจริงๆเพราะคุณของพระ อ, องค์นั้นกว้างใหญ่จริงๆเพราะว่าพระ อ, องค์นั้นเป็นผู้ที่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 เราทั้งหลายเป็นผู้มีชาติติทุก์มีควรแล้วที่เราทั้งหลายจักตั้งใจ ม, มรณะทุกแล้วเราทั้งหลายก็ยังมีโศกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตทุกทุกทั้งหลายเหล่านี้เราทั้งหลายยังไม่ได้ข้ามพ้นเลยแต่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ อ, องค์ข้ามจากกองทุกเหล่านี้แล้ว เรามาศึกษาเรามาเคารพมาบูชาพระองค์ผู้ข้ามพ้นจากทุกพระองค์นี้ชี้นำบอกกล่าวสั่งสอนเราทั้งหลายในข้อปฏิบัติเพื่อพ้นจากกองทุกข์ผนพระธรรมคาสอนที่พระองค์สอนด่านที่ต่างๆทุกคนทุกแห่งที่ปรากฏมีอยู่ในพระไตรปิฎกควรแล้วที่เราทั้งหลายจักตั้งใจตั้งใจระ ล, ลึกถึงตั้งใจเจริญตั้งใจศึกษาเพื่อเป็นผูบูชา พระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสไว้ตามที่ต่างๆนั้นพระองค์บำเพ็ญบารมีมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับเพื่อที่จะรู้เห็นพระธรรมเหล่านี้เพื่อจะได้มาสงเคราะห์อนุเคราะห์พวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรแล้วที่จะศึกษาควรที่จะปฏิบัติตามเป็นพระพุทธบูชาซึ่งตอนนี้เราอยากจะประทักศิลกันบ้างดีกว่าเนาะเรามาประทักศิลเข้ามาแบบแบเมื่อวานอีกเข้าเข้ามาข้างในนะที่ยากส่วนหนึ่งคือเรา เราไม่รู้อัธยาศัยของพระพุทธเจ้าคือคือเรื่องของเรื่องอนะเราเมื่อเราไม่ไม่เข้าไม่เข้าใจอัธยาศัยพระพุทธเจ้านะั้นแหะเวลาการพิจารณาธรรมะของเราเราก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งคือ ค, คิดการคิดปัญหาแบบแบบเราเองคิดกับแบบพระพุทธเจ้าคิดเนี่ยจะจะไม่ค่อยเหมือนกันคือของถ้าเป็นแบบอะไรนะถ้าดบบของพระพุทธเจ้ามีเบื้องต้นท่ามกลางเลยที่สุดนี่นะอย่างสมมุติถ้าเราจะทําปริญญาอะไรสักอย่างหนึ่ง เราก็ต้องมาคิดว่าทาไมเราต้องทาปริญญาเออถ้าถ้าตอบโจทย์ตัวนี้ไม่ได้นะถึงไปทำได้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่รู้ทาให้มันเป็นอะไรเพราะยังไม่รู้ตัวเองมาทำทำไมเนี่ยเพราะถ้าสำคัญมากที่สุดเราต้องรู้ว่าเราเราทาไมเราต้องทำปริญญาอันนัน้เหตุผลอะไรอันนี้ต้องตอบคำถามตัวนี้ให้ได้ก่อนชัดเจนก่อนนะแล้วก็จึงจะรู้ว่า เมื่อเราตอบคำถามชัดเหล่านี้ชัดเจนได้แล้วเนี่ยหาของเราก็คือเนี่ยมันชาติมันนำไปสู่ชราชรานาไปสู่มรณะมรณะนาไป <c oughs> มรณะนำไปสู่ชาติ น, นะเราชาตินาไปสู่ในชราและที่ต้องตอบให้ได้สังสารวัฏสองแล้วทำไมเราต้องคารพพระองค์เรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าภายในเราเนี่ยถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่มีปัญหาอะไรเลยบอกว่าไปเที่ยวไหว้พระเถอะ ทำบุญถวายทานไปอะไรไปคือคือก็ทำบุญอย่างนี้ไปไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันซับซ้อนวุ่นวายมากแต่ถ้าเราเออชีวิตเรามันมีปัญหานะ่ปัญหาของเราก็คือเนี่ยมันชาติมันนําไปสู่ชราชรานําไปสู่มรณะมรณะนําไปมรณะนําไปสู่ชาตอ่ะนะแล้วชาตินําไปสู่ในชราและมรณะสังสารวัตก็ไหลไปอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อย เมื่อสาวสารวัตรของเราไหลไปอยู่อย่างนี้เรื่อยๆที่สุดแห่งชราและมรณะเราอยู่ที่ไหนเนอจบได้ที่ไหนเมื่อไร่จะจบอันนี้นะอันนี้คือคือคือเราต้องเข้าใจปัญหาของเราเองก่อนแล้วพระองค์แนะนําเราให้ทํายังไงอนนี้แล้วค่อยๆเอาเอาเรื่องของพระพุทธเจ้ากับเรื่องของเรามาชนกันอธิษฐาแล้วพระองค์แนะนําเราอย่างไรเมื่อเรารู้หรือเราเข้าใจวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าชัดเจนแล้วนะอ่าที่เหลือจะไม่ใช่ปัญหาเลย จะไม่ค่อยสู้จะยากเท่าไหร่เพราะเรามีความเข้าใจพระธรรมคําสอนที่ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้นะว่าย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยต้องเอาสองอย่างเนี่ยมาชนกันให้ได้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กับปัญหาชีวิตของเราเนี่ยนะที่เราต้องการแก้และที่สําคัญที่สุดคือจินตนาการของเรานี่อยู่ที่ไหนด้วยเราต้องการศึกษาพระธรรมแค่ไหนความชัดเจนตรงนี้ต้อง ต้องค่อนข้างสาคัญแต่ถ้าหากว่าความความต้องการของเราเองก็ยังไม่ชัดเจนะนะก็อ่านไปเรื่อยๆไปก่อนคือคือหมายความว่ารีบไปทำอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เป็นนักที่รักที่จะเรียนรักที่จะฟังรักที่จะอ่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจชัดเจนเพราะว่าถ้าหากว่าเข้าใจไม่ชัดเจนเนี่ยนะทิศทางไม่ชัดเจนเนี่ยทาออกมาแล้วไม่รู้มันจะเป็นอะไร เขมายัางแปลกใจมากๆเลยอย่างที่เขาเจ็ปฏิบัติปฏิบัติกันที่เขาเจริญเจริญกันนี่ยนะดูจากอะไรไม่ดูจากพระพิสุที่ท่านบวชเข้าไปเ ล, เลยนะก็เป็นลัทธิของคูบาอาจารย์ไปอะไรไปมันก็เลยขาดความเข้าใจในคุณของพระรัตนตรยัยไม่เข้าใจคุณของพระรัตนตรยัยการเจริญการปฏิบัติก็เลยไม่มีความชัดเจนอะไรจะเป็นยังไงอะไรอย่า ง, งัไงไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจพอทําไประดับหนึ่งก็เริ่ม บางคนก็มีความสามารถในการพูดในการแสดงก็ไปเป็นอาจารย์พอเป็นอาจารย์ก็ถ่ายทอดต่อไปอาจารย์ก็มาเคยรู้เหมือนกันก็เนี่ยก็เลยเป็นแบบแผนที่สืบสืบทอดทอดกันมาอย่างนี้เพหนักที่สุดเข้าก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ก็ที่มาของลัทธิอาจารย์ทั้งหลายเลยนะก็เป็นลัทธิของครูบาอาจารย์ไปอะไรไปมันก็เลยขาดความเข้าใจในคุณของพระรัตนตรยัย ไม่เข้าใจคุณของพระรัตนตรยัยการเจริญการปฏิบัติก็เลยไม่มีความชัดเจนอะไรนะซึ่งไอ้ตรงนี้ที่เราไม่ไม่ตื่นตัวเราไม่ย้อนกลับมาหาว่ า, าไม่ย้อนกลับมาศึกษาพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณให้ชัดเจนไม่หันกลับมาเจริญอนุสติให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแล้วก็ไม่มาพิจารณาอริยสัจเนี่ยแล้วก็ความชัดเจนอะไรก็มีไม่ได้อยู่แล้ว ถ้ายิ่งข้อมูลสเปสสป่าด้วยเขามายิ่งกลัวจริงๆเลยคือคือเช่นเขาอ่านข้อมูลที่ไม่มาตรฐานอยู่เนี่ยนะอ่านข้อมูลที่ไม่มาตรฐานฟังข้อมูลไม่มาตรฐานแล้วก็ไอความเข้าใจเขาเขาไม่ชัดด้วยแล้วก็ไปคบคนที่ไม่ค่อยชัดเจนเหมือนเหือนกันเนี่ยนะอ๋วดียิ่งไม่รู้จะทํำยังไงเนีนะ เรานอกจากเจริญอุเบกขาแล้วยังนึกไม่ออกเลยว่าจะเจริญธมวิหารข้อไหนเพราะถ้ารากเราไปอะไรก็เข้ามากเขาก็ว่าเราแบบอะไรนะล่าอนาณิคมทางความคิดล่าลูกศิษย์ล่าอะไรไปนู่นถ้าไปยุ่งกับเขาเกินไปนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็นับว่านายกนี้ก็ยากจริงๆแล้วเราเองก็ยังไม่รู้ว่าเออเมื่อไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้วช่วยเขาสําเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีอนาณิคมอะไรสักอย่างหรืออาจจะได้ศัตรูหนักกว่าเก่าก็ไม่ทราบ อันนี้คือในยุคนี้ทั้งผู้แนะนําทั้งผู้ถูกแนะนํามันก็น่ากรุณาเสมอกันนะเหลักการที่ดีก็คือขอมาในเรื่องเหล่านี้นะตั้งอัตตาสมมาปณิที่ว่าเออเขาก็นับถือพระรัตนตรยัยเราก็นับถือพระรัตนตรยัยเรามาร่วมศึกษากันนะอะพระรัตนตรัยแนะนํำกันยังไงอะไรยังไงคือมีมีอัธยาศัยคล้ายๆกับสราระธรรมก็ลักษณะเดียวกันเราก็อทุกคนก็มีศรัทธาจะไหว พระพุทธเจ้าอยู่แล้วจะไหว้สังเวชนียสถานสี่ตำบลอยู่แล้วอ่าเรามาร่วมกันไปนะไปก็เราก็มาคุยกันก่อนว่ากิจกรรมเรามีอย่างนี้อย่างนี้นะไปด้วยกันได้ไหะถ้าไปด้วยกันได้ก็ไปเอถ้าไปด้วยกันไม่ได้ก็รอเที่ยวหลังก็แล้วกันมาจากพระไตาบิดกมาศึกษาร่วมกันมามาเรียนร่วมกันเนี่ยนะทั้งใครบรรลุ ก, ก่อนก็ขออนุมโมทนาด้วยลวเลยเราจะได้ไหว้ได้สนิทใ จ, จยอย่างนั้นค่ะก็ว่าเออธรรมะพระพุทธเจ้าสอนไม่ผิด เราก็ไม่ได้ต่อนีอะไรในเรื่องแล้วกันศึกษาพระธรรมคณะเดียวกันเราก็ไม่ห้ามพระไตรปิฎกก็มีวางขายอยู่ทั่วไปคุณก็เปิดอ่านเปิดเรียนที่ไหนก็ได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเราจะศึกษาร่วมกันเรามีทิศทางกันอย่างนี้นะอ่าอย่างนี้เรามาคุยกันมาสนทนากันมาเรียนร่วมกันไปอะไรกันไปเพราะว่าธรรมานี้ไม่ใช่ของเรารอ่ะนะเราก็หยิบข้อความเหล่านี้มามาจากพระไตรปิฎกมาศึกษาร่วมกันมา มาเรียนร่วมกันเนี่ยนะทั้งใครบรรลุ ก, ก่อนก็ขออนุโมทนาด้วยแหละเขาจะได้ว่ายได้สนิทใจว่างั้นเ่ะก็ว่าเออธรรมะพระพุทธเจ้าสอนไม่ผิดแล้วก็ไม่ได้ตะหนีอะไรในเรื่องเหล่านั้นแต่ที่สำคัญถ้าหากว่าเ อ, อ๊ะทำไปทำมาแล้วความเข้าใจในพระศาสนาไม่ชัดเจนเอาความเห็นตัวเองมากขึ้น กุศลธรรมก็ไม่ค่อยเจริญขึ้นอ่ะกุศลมันเพิ่มขึ้นเออถ้าอย่างนี้ก็ต้องถอนตัวก่อนหนนะ้นเพราะว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะถึงจะศึกษาลึกซึ้งกว้างขวางขนาดไหนก็ตามมันก็คงไม่พ้นกุศลใช่ไหมกุศลจิตเราเจริญขึ้นไหมเรามีความสุขกับการเจริญกุศลเหล่านี้ไหมอันนี้เป็นเครื่องวัดอย่างดีเลยกุศลจิตของเราเนี่ยนะถ้าศึกษาไปอุ้ยลึกซึ้งมากแต่มาแห้งแล้งมากเออแต่างี้ก็ต้องก็แสดงว่ามีปัญหาอยู่เหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้น ท่านผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยเป็นคนตื่นตัวทั้งในในส่วนของข้อมูลในเรื่องของข้อมูลนะหรือเรื่องของความเข้าใจอยู่เนี่ยว่าเราเข้าใจถูกเข้าใจผิดแค่ไหนอันนั้นในส่วนของข้อมูลนะแล้วก็ในส่วนทางความคิดของเราด้วยพอศึกษาไประดับหนึ่งเราก็เริ่มมาปรับความคิดของเราอ น, น, นเราตั้งอัตตาสมาปี้ที่ไว้ถูกไหมในการศึกษาพระธรรมในส่วนนั้น ถ้าหากว่าเราเข้าใจกฎเกณฑ์เหล่านี้แล้วนะการเจริญกุศลธรรมของเราเนี่ยเจริญโดยส่วนเดียวนะจะไม่มีเสื่อมถ้าถ้าหากว่าเราเข้าใจกฎเกณฑ์ระดับหนึ่งเพราะว่าไอความเข้าใจลหลายๆเรื่องทาให้เรามีศาสต ร, ร์กษตระสัมปชัญญะโดยโดยธรรมชาติเรารู้ว่าอะไรเป็นทางแห่งความเสื่อมอะไรเป็นทางแห่งความเจริญกุศลจิตเราจะเจริญได้ยังไงอกุศลจิตเราจะเกิดได้ยังไง เพราะเราจะรู้เลยว่าอะไรเป็นปฏิฆาหนิมิตของเราอะไรเป็นสุภาหนิมิตของเราอะไรเป็นข้อเด่นเป็นข้อด้อยอะไรเป็นความเจริญเป็นความเสื่อมเราก็จะเริ่มแยกออกแต่ถ้าแยกไอ้ส่วนห ย, ยาบๆเหล่านี้ไม่ได้นะในส่วนละเอียดลๆของอามาก็เชื่อว่าแยกไม่ได้นนะเพราะว่าตรงนี้ก็สําคัญที่สุดก็คือการแยกแยกของเราเองให้เป็นแต่ก็อย่างที่พยายามจะแนะนําว่าถ้าหากว่ามันกว่าคนอื่นสนสสนใจใช่ไหมนนะเพราะอาหาร ถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกันอร่อยของเรากับของเขาไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเราอร่อยอะชิ้นไหนจานไหนแล้วก็เลือกเอาตรงนั้นถ้าทําก็าก็อ่านไปกันเช่นถ้าเจอสูตรไหนที่ที่สะดุดใจนะให้พยายามจําสูตรนั้นให้ไว้ถ้าสูตรไหนสะดุดใจแสดงว่าสูตรนั้นตรงกับธยาสายของเร า, เานะพยายามกําหนดจดจําพระสูตรเหล่านั้นเอาไว้อา่าแล้วก็จะช่วยเราได้เยอะเนี่ะ เพราะว่าสิ่งที่เราสนใจมันก็สําคัญกว่าสิ่งกว่าคนอื่นสนสะสนใจใช่ไหมเพราะอาหารอร่อยของเรากับคนอื่นมันไม่เหมือนกันอร่อยของเรากับของเขาไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเราอร่อยอะชิ้นไหนจานไหนแล้วก็เลือกเอาตรงนั้นพระธรรมก็ลักษณะเดียวกันเชื่อไหมถ้าเป็นพระธรรมที่ถูกต้องนะจะไม่มีการขัดกันขึ้นมาจากตรงไหนก็ได้ขึ้นมาจากสูตรไหนก็ได้ถ้าหากว่าพระธรรมนั้นที่พระพุทธเจ้าแสดงขัดกันเนี่ยนะ พ อ, องไปแต่ละแห่งแต่ละเมืองไม่ใช่สอนสูตรเดียวแต่ภาษาวกเหล่านั้นคุยกันรู้เรื่องเอาสิใช้พยัญชนะไม่ใช่พยัญชนะเดียวกันชื่อสูตรก็สูตรไม่เหมือนกันแต่ภาษาวกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ที่สมัครสมานสามัคมคีคกันเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิสแสดงว่ามีความเป็นอันเดียวกันอยู่นี่ทํำยังไงเราจะได้เข้าใจว่า เ, เรานี้เข้าใจเป็นอันเดียวกันกับพระอริยสาวกสมัยก่อนนั้นไหม ที่น่าสนใจในการศึกษาพระธรรมที่มาสังเวชนิยสถานโดยเฉพาะในตามที่ต่างๆที่พระพุทธเจ้าแสดงพระสูตต่างๆเราจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบเทีย บ, บเคียงว่าเราเข้าใจเป็นอันเดียวกันกันกบพระสาวกสมัยนั้นท่านเข้าใจไหมอะไนระแล้วก็ไม่ควรเอาเมืองเดียวด้วยเอาหลายๆเมืองมาชนกันว่ายังอยู่ในเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่าถ้าคนละเรื่องแสดงว่าผิดถ้าเรื่องเดียวกันถูกอะไรเงี้ย คือการศึกษาพระธรรมนั่นก็อยากอยากจะแนะนำอย่างหนึ่งคืออย่าเพิ่งมั่นใจอะไรจนเกินไปคนที่มั่นใจจริงๆคือพระโสดาบันถ้าเรายังไม่ใช่พระโสดาบันเนี่ยนะโดยที่สุดเนี่ยนะเขาม า, าคิดไปถึงแม้กระทั่งระดับอะไรนะอุทยพยาญาณไปแลว้วอ่ะที่ได้วิปสัสสโนปกิเล ส, สิทธะการก็ยังไม่ให้เชื่อตัวเองเลยอะ่ะเพราะอะไรเพราะความคิดนั้นก็ หรือสติปัญญาหรือยานะนะยานะนั้นะนิกขันติเช่นโอภารสติเป็นต้นเนี่ยนะพวกเรานี้ก็เป็นสังขต ธ, ธรรมเมื่อก่อนก็ไม่เคยเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ก็มาเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นท่านวิปัสสนาญาณทั้งหลายปัญญาทั้งหลายก็เป็นสังขารธรรมที่ถูกเราเราไม่ได้แสวงหาวิบากกับกรรมชรูป มันก็ต้องค้นควา้าวิจัยเลือกเฟ้นจนถึงบทอันสงบอย่างแท้จริงสงบก็ต้องสงบจากสังคตะธรรมทีนี้สําคัญว่าเรารู้จักสังคตะธรรมเข้าใจาไม่ได้สแสวงหาสังคตะธรรมไม่ใช่หรือจึงอยู่สแสวงหาสังคตะธรรมที่มีอสังคตะธรรมเป็นอารมณ์ถ้าพูดให้ตรงเลยเนาะใช่ไหมเพราะว่าขึ้นชื่อว่าสังคตะธรรมทั้งหลายเที่ยงก็ไม่มีใช่ไหม สังคตาธรรมทั้งหลายถ้าโดยทั่วๆไปโดยมากก็ยังให้ผลเป็นวิบากและกรรมชรูปอยู่ซึ่งเราเราไม่ได้แสวงหาวิบากกับกรรมชรูปมันก็ต้องคน้นคว้าวิจัยเลือกเฟ้นจนถึงบทอันสงบอย่างแท้จริงสงบก็ต้องสงบจากสังคตาธรรมทีนี้สําคัญว่าเรารู้จักสังคตาธรรมแค่ไหนละ่ะเข้าใจคําว่าสังคตาธรรมแค่ไหนมันในวิสัยของไม่ใช่ผู้ที่ไม่ใช่ท่าระยะเนี่ยนะ ไม่มีคิดพ้นสังขตะธรรมหรอกอันนั้นเมื่อคืนพูดถึงคัททูละสูตรใช่ไหมสุนัขที่ถูกลามโซ่ะนะเวลามันวิ่งมันก็วิ่งอยู่ในแบบวิ่งแบบสุนักถูกล่าบมันนะถ้ามันเดินมันก็เดินแบบแบบสุนักถูกล่ามถ้ามันนอนมันก็นอนแบบถูกล่ามฉันใดปุถุชนทั้งหลายเวลาเขาคิดนะไม่มีคิดพ้นขันห้าแม้แต่ครั้งเดียวคิดหลุดจากขันห้านี่ไม่มีนะคิดวนอยู่ในโลกของขันห้า ทัานถ้าเรายังวนๆอยู่ในโลกของขันธ์ห้าและเอาอะไรเป็นความเชื่อจนเกินไปถ้าเราดิ่งในเรื่องใดเกินไปมันเป็นทิฏฐิทันทีเลยนะเป็นลักษณะของอุปาทานทันทีท่านในแง่ของกุศลธรรมเนี่ยนะโพชฌงท่านเอายังยเอามาทําปริญญาอะไรแบบนั้นเถอะเช่นว่าเมื่อสติสามโพชฌงมีอยู่หน้าภายในก็รู้ชัดเมื่อไม่มีอยู่หน้าภายในก็รู้ชัดที่ยังไม่มีจะมีขึ้นได้อย่างไร ก็รู้ชัดที่มีแล้วจักเจริญบริบูรณ์ได้โดยประการใดก็รู้ชัดจะเต็มเปี่ยมที่ไหนถ้าเต็มเปี่ยมบริบูรณ์จริงๆพ่อชองเต็มเปี่ยมที่อรหัตตมรักอรหัตตมรักเราเกิดหรื อ, อยังถ้ายังมันก็แสดงว่ายังไม่ใช่เป็นธรรมอาจารย์นะครับที่บอกว่าอูุดูชนคิดเนี่ยไม่พ้นจากขันห้านี่หมายถึงว่าคิดแล้วเป็นเหตุที่ทําให้เกิดขันห้าหรือว่าโดยอารมณ์เพราะว่ายัง อุปสมาโนสตินี่ก็ก็คิดถึงอุปาทานนี่เป็นภัยการเกิดขึ้นนี้เป็นภัยถ้าไม่เกิดก็ปลอดภัยก็รู้ได้เท่าเนี้ยะนะแต่ว่าไอไอสภาวะที่ไม่เกิดเป็นยังไงนี่ตัวเองไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ใหมายถึงอารมณ์นะฮะการ น, น้อมแต่อันนี้มันสงบก็ก็ก็รู้ได้เท่าเนี้ยแต่ว่าอสงบจริงๆมันมันยังนึกไม่ออกนะถ้าเป็นปุตตชนนะแต่ถ้าเป็นผ้าริยะเนี่ยท่านรู้เพราะท่านเคยเข้า ท่านเคยเห็นอยู่แล้วท่านเคยเข้าพระสมาบัติอยู่แล้วมันไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าของปุถุชนทั้งหลายก็เหมือนกับอะไรนะสันติบทยานกับอาทีนาวายานะ่ะอุปาทานนี่เป็นภัยการเกิดขึ้นนี้เป็นภัยถ้าไม่เกิดก็ปลอดภัยก็รู้ได้เท่าเนี้ยะแต่ว่าไอ้ไอสภาวะที่ไม่เกิดเป็นยังไงนี่ตัวเองไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงอารมณ์นะคือเพียงแต่ว่าการน้อมเทียบเคียงอันนะ น้อมเทียบเคียงเฉยๆมันยังไม่ได้แทงตลอดสิ่งนั้นโดยอารมณ์แต่ว่าได้โดยอนุมาณนี่โดยการคาดการคเนแต่เป็นคาดตามความเป็นจริงคาดในฐานะที่เป็นไปได้คาดในฐานะที่มีอยู่จริงคือเวลามันคงไม่พอนะเพราะว่าในนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของพุทธคุณแต่ก็ไหนๆก็เอาใน พัทเธกรัตตสูตรนี่นะจริงๆแล้วพระผู้มีพระภาคแสดงพัทเทกรัตตสูตรเนี่ยเฉพาะคาถาเนะียคาถาในพัทเทกรัตตสูตรนี้แสดงสลับกับอภิธรรมเนี่ยนะตอนที่แสดงอภิธรรมปีดกในสวรรคชันดาวบดึงเนี่ยนะเป็นการแสดงสลับระหว่างพระอภิธรรมกับพัทเทกรัตตสูตรเนี่ยนะซึ่งพระสูตรนี้กล่าวถึงว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นะ ปันดุกัมพลศิลาอาัตควงไม้ปาริฉัพในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงก็แสดงว่าพระองค์ประทับดาวดึงจริงนะก็ความข้อความเหล่านี้ก็มีในพระสูตรอยู่มีทั้งในสารีปุตตสูตรกับในเนี่ยในโลมั ส, สกังคียะพระเถรัตะสูตรเนี่ยนะพระเถรัตะสูตรนี่มีหลายกลุ่มด้วยกันเอ่อตอนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงแก่เทวดาชั้นดาวดึงว่า บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่เลี่ยงที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่งอนแงน่นไม่ครอนแคลนในธรรมะนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมะนั้นเนืองๆให้ปรุโปร่งเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเล่าจักรู้จักความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความพัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้อมารนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบใครจอยู่ประจำวันคํานึงถึงอะไรเนี่ยแปลว่าไปลว่าไปคิดถึงอะไรแต่ว่าในนี้ไม่ใช่องค์ธรรมนี่ถ้าเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญทีนี้ถามว่าแค่ไหนจึงชื่อว่าบุคคลผู้คํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว คำว่าคำหนึงก่อนนะคํานึงนี่เป็นชื่อของตันหาและทิฏฐิก็รวมมานะไว้ด้วยเนี่ยนะตันหามานะทิฏฐิใช่ไหมคํานึงเนี่ยสภาวะเนี่ยอะไรนอใช่ตาถามบอกว่ารำเปิดคํานึงหรือรําพึงด้วยอํานาจตันหามานะทิฏฐิว่าคือคํำนี้ภาษาไทายจริงๆที่ใช้กันอยู่ประจํามันคํานึงถึงอะไรเนี่ยแปลว่าไปว่ า, ไ ป, วาไปคิดถึงอะไรแต่ว่าในนี้ไม่ใช่องค์ธรรมเนี่ คือภาษาภาษาธรรมะเนี่ยนะมันมันแล้วแต่ว่าการใช้คําเนี่ยอหมายถึงอะไรเอาเอาความประสงค์ของผู้พูดเป็นประมาณคือคือศึกษาพระธรรมเนี่ยอให้เป็นคนอื่นก็รู้ไว้ด้วยว่าเป็นที่สังเกตว่าถือเอาความประสงค์ของผู้พูดเป็นประมาณเขาจะไม่ถือเอาคําเป็นประมาณใช่ผมก็คิดอย่างนั้นแต่ว่ามันเพราะอันนี้อธิบายไว้ในในคํา้<ค>ำคําแนวความอธิบายเนี่ยเป็นอย่างน <คำ S 1> ั้น่ <คำ S 1> ยนะว่า ไม่ควรคำนึงด้วยตันหามานะและทิธิไม่ควรคำนึงด้วยบาปและอกุศลคือคำนี้ทำให้เข้าใจผิดจนเียกว่าทั้งประเทศเลยวะ่าเนะเพราะคำนี้ะครับที่มีความสำคัญมากๆเลยนะถ้าถ้าถามไม่ชี้วัยนะนนถ้ า, าถามไม่ชีว้วายนะมันเรียบร้อยนะที่ปัจจุบั น, นพระพุทธพจน์ก็อธิบายว่ารำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นนั้น คือรำเพงด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเนี่ยว่าเมื่อก่อนเราเคยมีรูปอย่างนั้นในการที่ล่วงไปแล้วเมื่อก่อนเราเคยมีเวทนาอย่างนั้นในการที่ล่วงไปแล้วเมื่อก่อนเราได้มีสัญญาอย่างนั้นในการที่ล่วงไปแล้วเมื่อก่อนได้มีสังขารอย่างนั้นในการที่ล่วงไปแล้วเมื่อก่อนได้มีวิญญาณอย่างนั้นในการที่ล่วงไปแล้วถามว่ายังไงไอ้ที่ว่าเนี่ยเคยเห็นเ้าเล่าประวัติตัวเองให้ฟังไห เล่าด้วยวิปัสนาใช่ไหมโดยมากนั่นแหละนั่นแหละไอ้แบบนั้นเนี่ยไม่สมควรนะะไม่สมควรนะว่าเอ อ, เ อ, อรูปในอดีตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นดังหัวฝีอะไราอย่างนี้ก็เล่าไปเอะมากๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเล่เ า, าประวัติตัวเองนะสมัยนั้นนะ่ะนุมๆนะอือะไรเงี้ยถ้าเป็นลักษณะนั้นน่ะไม่ใช่แน่อันนั้นอันนั้น่ะไม่ควรคํานึงในลักษณะนั้นแบบถามว่าแบบอะไรแบบหนึง่งแหะ คือไม่มีตันหามานะทิฏฐิคือไม่มีความเพลิดเพลินเลยว่าเรามีรูปอย่างนั้นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างนั้นคือไม่สําคัญว่ารูปเป็นเรารูปเป็นของเรารูปเป็นอัตตาของเราก็พิจารณาว่ารูปในอดีตมันก็ลักษณะเรียกว่าด้วยอํานาจของเอ้าก็ของใครก็ช่างเหอะที่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ยนะของเราก็ช่างของใครก็ช่างนั่นแหละลักษณะอันนั้นแหละเป็นราพึงด้วยอํานาจของตันหา เป็นต้นเนี่ยนะตัณหามา n ะหรือทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้บุส่วนบุคคลผู้ไม่คํานึงแหละคือไม่มีตัณหามา n a ทิฐิคือไม่มีความเพลิดเพลินเลยว่าเรามีรูปอย่างนั้นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างนั้นคือไม่สําคัญว่ารูปเป็นเรารูปเป็นของเรารูปเป็นอัตตาของเราก็พิจารณาว่ารูปในอดีตมันก็ไม่เที่ยงหรือมันแตกทาลายไปแล้วในอดีตเนี่ยนะเช่นถ้าใครทําอะไรนะ พรคศัตรากมาเป็นอย่างดีอนะโดยวัยเนี่ยพิจารณาโดยวัยอนะวัยนั้นก็สิ้นไปแล้วเสื่อมไปแล้วคลายไปแล้วพระพุทธเจ้าเลี่ยคนที่เล่าเรื่องอดีตมากที่สุดในบรรดาคนเล่าเรื่องอดีตเช่นยกตัวอย่างอย่างที่ผ่านมาคือชาติที่เป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะใช่ไหมองค์ก็จะประกาศตามความเป็นจริงนะนะทั้งมวลเหล่านั้นเนี่ยแตกทําลายไปหมดแล้วแม้แต่ชื่อชื่อเมืองยังเปลี่ยนเลยนะ ชื่อเมืองโบราณชื่อเมืองอะไรเมืองกุสาวาดีตอนนี้ล่ะกุสินาราเมื่อก่อนเป็นเมืองใหญ่มากกินอาณาเขตทั่วทั้งโลกตอนนี้ก็เหลือเมืองแคบๆเล็กๆเป็นกิ่งกิ่งเมืองแล้วอะนะไม่ใช่องค์ของตัวเมืองแล้วเป็นกิ่งเมืองเมืองโดนกิ่งเมืองแล้วอนะกิ่งเมืองก็คือเมืองสาขานะก็ลักษณะของตำบลเป็นอำเภอไปแล้วไม่ได้เป็นจังหวัดเป็นรัฐเป็นอะไรหรอกนะก็เหลือแคบๆเหลือเล็กๆ เอก็ประกาศถึงความจริงว่าเออสังขารทั้งหลายมันเป็นเช่นนี้แหลสังขารทั้งหลายที่เที่ยงไม่มีอ่นะขั้นการพูดถึงลักษณะนี้พระองค์ไม่ห้ามแต่ว่าห้ามคือห้ามเรื่องอนาจตันหา ม, มานะและททฐิว่าเรื่องอนาจความเพลิดเพลินเนี่ยนะเจอเพื่อนเก่าแล้วเล่เานี่เรื่องอเก่าๆคุยกันนะนั่นแหละนั่นไม่สมควรบ่อยไหอลักษณะนั้นนะส่วนบุคคล จะมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเนี่ยอย่างไรก็คือรำพึงด้วยความเพลิดเพลินว่าเราพึงมีรูปอย่างนี้ในอนาคตการหวังใช่ไหมชาติหน้าจะเอารูปแบบไหนดีเอาเวทนาแบบไหนสัญญาแบบไหนสังขารแบบไหนและเวีย ญ, ญาณแบบไหนถ้าอย่างนี้ไม่สมควร ก็วังรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันะขันแะไรก็คือต้องก็มันก็คือขันห้านั่นแหละก็สายใจว่าก็รูปบัตรนี้มันก็ยังถูกเคี้ยวกินอย่างนี้ถ้าหวังรูปอนาคตมันก็ถูกกินอีกนั่นแหละนะถ้าหวังเวทนาปัจจุบันนี้ถูกเคี้ยกินเวทนาในอนาคตก็ถูกเคี้ยวกินอีกแล้วก็คือลักษณะการคิดบรมของพบใหม่ได้หมดเลยเรื่องในอดีตเรื่องราวในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปเวทนาหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช่นนั้นเช่นนั้นมีรูปอย่างนั้นมีเวทนาอย่างนั้นแต่งตัวแบบนั้นแบบนั้นเพลินไปเรื่อยลักษณะแบบนี้ไม่สมควรขณะที่กำลังคิดอยู่งั้นจุติไปไหนต่อยาวเลยนะยาวเลยคือผู้ที่กรรมมกตาแม่นแม่นแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยขณะไหนบ้างที่เราจุติไม่ได้ถ้าจุติตอนที่คิดถึงอดีตไอสิ่งที่เราคิดถึงเป็นกรร ม, มนิมิตทันทีเลยนะอ เรื่องอะไรก็ได้ที่เราคิดถึงกันนะแล้วจุติได้หมดเลยทุกนั้นพวกนั้นเป็นอารมณ์ของพบใหม่ได้หมดเลยเรื่องในอดีตเรื่องราวในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปเวทนาหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นกรรมนิมิตอารมณ์ได้หมดเลยทีนี้ถ้าเราหวังเพลิดเพลินอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตนะพวกนั้นเป็นคตินิมิตเราได้หมดเลยคิดไปคิดมาถ้าจุติแถวนั้นก็เป็นคตินิมิตเลยพร้อมที่จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ท่านผู้ที่เขาปรารบมรณาอุสติเข้าใจเรื่องตํรมนิมิตคตินิมิตเนี่ย โอ้โหไปคิดอย่างนั้นถือว่าเป็นความเสียหายร้ายแรงมากนะเสียหายร้ายแรงเพราะว่าฉุดไปสู่พบใหม่ทันทีเลยนะเพราะว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายเขามองวิบากกรรมมชรูปที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นของน้อยมากเขาดูถูกมากเลยนะว่าเป็นของเล็กของน้อยเป็นของนิดหน่อยนี่นะนะชีวิตนี้น้อยนักรวดเร็วเป็นต้นเนี่ยนะที่รายป่วยไปแล้วแมนะนะนะ่ให้สาธยายให้ฟังหน่อยหลายคนสาธยายยังเฟจเลยนะจน๊ะ ชีวิตนี้ก็เป็นเช่นนี้แล้วนะพราะจึงไม่สมควรที่จะมุ่งหวังรำพึงด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเลยนะนะก็คือสรุปว่าถึงเพลิดเพลินมันก็เพลิดเพลินในกองทุกนั่นแหละเพราะชาติชรามรณะโศกาปริเทวทุกขโทมานัตอุปายาตเป็นชื่อของอะไรก็เป็นชื่อของขันห้านะนะกับเพลิดเพลินในขันก็คือเท่ากับเพลิดเพลินในชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปายาตนั่นแหละ นะถ้าเพลิดเพลินในขันท่าก็เพลิดเพลินในตัวทุกนะั่นแหละควรเพลิดเพลินไปทําไมก็รู้ตามสภาพที่เป็นจริงให้ว่าวัตถุนั้นคือวัตถุแห่งชาติชรา ม, มรณาโสกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตนั่นแหละคือตัวทุกพันธะคิดนะถ้าคิดถึงอนาคตนะเออนี่ทุกไปมั่วนนะคิดถึงอกลับบ้านไปยังไงเออนี่ทุกอ่ะใช่เลยในการนึกจริงๆนะนะตอนอาวัชนะก็เชื่อว่า สิกขาใช่ไหมเมื่อนึกถึงก็ชื่อว่าสิกขาสําคัญว่าเรานึกอย่างนี้บ่อยไหมอันนี้พูดแบบคนที่กรรมะสกตาดีแล้วอนะอะไรแล้วเนะี่ยเรานึกที่จะเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงความพิจารณาด้วยอํานาจวิปัสนาเป็นต้นนี้สมควรปัญหาว่าทําไมเราไม่คิดอย่างนี้สิอันนี้นี่เพราะว่าผู้ที่เขามีอมีปัญญาเจริญวิปัสนามากนะพวกนี้ชํานาญในการนึกมาก โดยเฉพาะปัญญาสิกขาเนี่ยต้องชำนาญในการนึกจริงๆนะะเพราะอาวัชนะก็เชื่อว่าสิกขาใช่ไหมเมื่อ น, นึกถึงก็เชื่อว่าสิกขาสําคัญว่าเรานึกอย่างนี้บ่อยไหมอันนี้พูดแบบคนที่กรรมสกตาดีแล้วอนะอะไรแล้วเนะี่ยเรานึกที่จะเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีในขันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตบ่อยไหมตรงนั้นมากกว่าเนี่ยนะที่ที่เป็น ที่เป็นอะไรเป็นสาระเป็นสิกขาเพราะสิกขานี่เป็นเป็นข้อปฏิบัติที่จะนําออกจากวัตตะทําอะไรที่เราจะได้นึกอย่างชํานาญนึกอย่า ง, ค, งคล่องแคล่วไม่ใช่นึกถึงใครสักคนหนึ่งนะั้นนึกไปสองชั่วโมงแล้วนะคิดเรื่องของเขาไปสองชั่วโมงแล้วนี่ทุกข์อ่ะนะก็ยังดีอ่ะนะที่นึกบ้างที่มีธรรมะไปปนปนแซรกอยู่บ้างก็ยังดีอ่ะนะแต่ว่าบางทีมันทั้งวันมันไม่นึกเลยนี่สิเดี๋ยวกลับไปคิดถึงใครก็นี่ทุกข์เลยนะ ก็คือคิดการงานก็คิดไปแต่ก็ไม่หลงลืมเรื่องนี้ด้วยไม่หลลืมคําสอนเหล่านี้ด้วยไม่งั้นเราก็นึกแต่เรื่องนั้น น, นะะหมายความว่าหรือแยกเป็นว่าโลกอย่างหนึง่งทับอย่างหนึง่งอย่างงี้รึเปล่าแบ่งเป็นมาก <c oughs> คือจริงๆอ่ะนะถ้าถ้าเราถือเอาเรื่องเรื่องการเจริญสิ่งนี้เป็นสาระเนี่ยนะซึ่งถ้าเราแน่ใจว่าเราแทรกอริยสัจไปได้กับทุกอารมณ์เนี่ย ซึ่งเราก็เรื่องที่เราคิดอยู่แล้วเนี่ยจริงๆด้วยนะของมาอยากจะให้มองว่า